ก็คือที่วัดจวงเหยนเมืองคาเมลก็อยู่ทางเหนือของรัฐนิวยอร์กแล้วก็มีบางช่วงก็ได้มาพักที่วัดจีนในเมืองนิวยอร์กก็เป็นสาขากับวัดจวงเหยนก็มีการแสดงธรรมที่นั่นเป็นครั้งคราวนะที่กรุงนิวยอร์กช่วงที่อยู่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 ว่ามันอาจจะกรรมเยอะมากนะตัวแกเองก็โดนจี้ไปแล้วนี่10กว่าครั้งโดนจี้แล้วจี้อีกนะมันก็ชีวิตมันมีสัสดิภาพเลยออกไปไหนออกจากบ้านกลางคืนนี่ก็อันตรายมากแกเล่าว่าในเวลาไปไหนเข้าไปในเมืองนี่ต้องดูทั้งข้างหน้าข้างหลังต้องระวังทั้งข้างๆ้าง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 มันจะดีขึ้นได้เลยนะคือเห็นแต่ความเสื่อมของมันแต่ว่าเขาก็รายงานกันว่าเดนี้อัญากรรมในเมืองนิวยอร์กนี่ลดต่ำลงไปมากาการป้นจีลดลงอย่างเห็นได้ชัดสถิติขโมยลดนี่มันลดไปถึง90เ์นะในรอบ2ทศวรรษหรือ20ปีก็เป็นเรื่องที่น่าแปลกใจนะ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 ในหลายเมืองทั่วโลกเนี่ยอาจจะ ก, กำลลดลงนี่ไม่ใช่เพราะการเพิ่มโทนแต่ว่าเพราะเหตุปัจจัยอื่นและที่น่าสนใจคือมันมีปัจจัยหนึ่งที่คนก็ยอมรับว่าเออมันใช่ทั้งที่มันก็ไม่น่าเชื่อนะก็คือว่าช่วง20่สิปีที่ผ่านมาเนี่ยในกรุงนิวยอร์กเนี่ยเขมีนโยบายอย่างหนึง่งก็คือว่าทำทำให้บ้านเมืองมันมีนมระเบียบมากขึ้นเช่น ลบรอยขีดเขียนในที่สาธารณะเนี่ยไปนิวยอรเนี่ยจะเห็นเลยนะรอยขีดเขียนมันเยอะไปหมดตามบ้านเรือนตามแม้กระทั่งรถไฟฟ้าเนี่ยเขาก็พยายามลดนลงนะเพื่อที่จะลบรอยขีดเขียนพวกนี้กระจกหน้าบ้านที่แตกกระจกระบ้านที่ร้างสถานที่ร้างแรงต่างเาก็ซ่อมแซมกระจกให้มันดีขึ้นเอากระจกใหม่มาเปลี่ยนทำความสะอาดให้มากขึ้นแล้วก็ ไอ้ความผิดเล็ ก, ล ก, ลกๆน้อยๆเขาก็ต้องกวดขันมากเช่นขึ้นรถไฟไม่จ่ายไม่จ่ายตังค์เขา ก, ก็ปรับพอทําให้สิ่งแวดล้อมมันมีระเบียบมากขึ้นรวมทั้งมีความสะอาดมากขึ้นเนี่ยปรกากฏว่ามันช่วยลด อ, ดอกกัจจการไปได้นะตอนทั้งที่ดูเหมือนว่ามันไม่น่าจะเกี่ยวข้องกันเลยแต่ว่า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 ไฟ จ, จราจรอะไรพวกนี้โคมไฟก็ทำให้มันสว่างเขาทำแบบนี้โดยที่ไม่ได้บอกใครนะไม่มีการป่าประกาศแต่คนที่อยู่นั่นก็สังเกตได้เองว่าให้มันเปลี่ยนไปปรากฏว่าพอเวลาผ่านไปหนึ่งปีเนี่ยพบว่าอัตรากรรมในถนนเส้นนั้นเนี่ยมันลดลงไป 50% อซอีกเส้นหนึ่งเนี่ยที่ปล่อยคาไว้นั่นน่ก็ยังเหมือนเดิม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 เสริมเกริมอุกอาจกล้าทำชั่วหนักขึ้นจนกรนทั่งปนจี้แล้วก็าจะาฆ่าเลยนะมันเริ่มต้นจากไอาการทำผิดกฎเกณฑ์เล็ก ๆ, ๆน้อยๆแล้วมันก็เกิดกรรมเริ่ขึ้นมาแต่ว่าพอทำความสะอาดให้กับชุมชนเนี่ยทำทำชุมชนให้เป็นระเบียบเรียบร้อยเนี่ยมันก็ทำให้ผู้คนเกิดความยับยั้งชั่งใจว่าชุมชนนี่มันมีคนดูแลนะเราจะทาอะไรตามอาเภอใจไม่ได้นะ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 อยากจนแต่ว่ายานคนที่มีฐานะจอดรถทิ้งไว้หนึ่งหนึ่งอาทิตย์ไม่มีอะไรเกิดขึ้นแต่พอคนทดลองเนี่ยเริ่มแกล้งไปตีกระจกให้แตกพอตีกระจกลกแตกเนี่ยมันก็เหมือนกับเป็นการส่งสัญญาณเชิญชวนคนอื่นให้ให้มาให้มามรุมสรกรมบ้างนะเฮ้ยเขาทำได้ฉันก็ทำบ้างสิคราวนี้ก็เข้าไปค้นไปปล้นเอาเบาะมั่งเอาพวงมาลัยง เอาอะไรล่ต่างๆออกมาบ้างนะก็กลายเป็นว่าในสุดลดไม่เหลือเลยเลยนะในเวลาแค่ไม่ถึงสองสามวันหลังจากที่ทุกกระจกแตกคือไอความไม่เป็นระเบียบหรือว่ากระจกแตกก็ดีความสกรปรกในชุมชนก็ดีหรือว่าไอรอยขีดเขียนเนี่ยมันเป็นการส่งสัญญาณให้คนเนี่ยเกิดความรู้สึกว่าจะทำอะไรก็ได้ไม่มีใครแคร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 บ้างเมืองนี่มีเส้นน้ำพระราชาก็เลยปรึกษาปุโรหิตว่าจะทํำยังไงดีถึงจะลดอาจฉริกรรมลดโจนผู้ร้ายในความคิดของพระราชาคือว่าจะต้องเพิ่มโทษให้มากขึ้นจับได้ประหารชีวิตเลยตัดคอหรือไม่ก็ทัรมานหรือไม่ก็ปรับแรงๆนะแต่ปุโรหิตนะคัดค้านแล้วก็บอกว่าวิธีนี้ขืนทําไปนี่จะทําให้ จนเนี่ยมันมากขึ้นมาไม่ได้ลดลงเลยแล้วปุโรหิตก็เสนอว่าเอาใช้วิธีนี้เสอะนะข้อแรกคือว่าอ่าให้มเมล็ดพันธุ์กับชาวนากับเกษตรกรให้ทั่วถึงนะนะทั้งแผ่นดินเลยนะเพื่อเขาได้มีอ่าการทำมาหากินได้อ่าสะดวกขึ้นอันที่สองให้เงินทุนนะกับพ่อค้าวานิชเพื่อเป็น อ่าทุนในการค้าขายอันที่สมนี่ก็ให้เงินให้เบีย้ยหวัดกับข้าราชการไม่ให้ขาดนะไม่ให้ขาดตกปกพร่องถ้าทำได้อย่างทั่วถึงเนี่ยก็จะลดปัญหาผู้ร้ายได้พระราชาก็เชื่อนะแล้วก็ทำตามปรากฏว่าในที่สุดนะโจรผู้ร้ายัก็หายไปไม่ถึงกับหายแต่มาลดลงผู้คนก็อยู่อย่างมีความสุขในประไตรปิฎกก็เล่าวันเนี่ยผู้คนเนี่ย ไม่ต้องปิดบ้านนะไม่ต้องลงกรอนนะแม้กระทั่งเด็กก็มีความสุขครอบครัวก็มีความสุขท่านอธิบายว่าเนี่ยเด็กนี่ฟ้อนอยู่ในอกแม่คือคนมีความสุขนะให้เห็นได้ว่าพรามเนี่ยไม่ได้ใช้ไม่ได้เสนอให้ใช้ความรุนแรงไม่ได้ใช้อชัจฉริยนะอันนี้ก็ที่พรามพูดอย่างนี้เนี่ยจริงๆก็คือเป็ น, เ ป, นเป็นการพูดแทนพระพุทธเจ้านะ พระุธเจ้าต้องการสอนโดยการอาศัยเรื่องของเนี้ยอาศัยเรื่องราวของพรามคนเนี้ยปุโรหิตคนเนี้ยเพื่อมาสอนว่าให้การแก้ปัญหาอัจกรรมหรือการทำให้คนนะเพื่อตัวมีศีลธรรมเนียมาไ ม, ม่ต้องใช้อาจฉยาหรืออำนาจนะแต่ว่าใช้วิธีการกระจายพกขซั์ให้ทั่วถึงเพื่อให้คนนะมีอยู่มีกิน แล้วก็น่าสังเกตว่าพราะองค์พร์ น, นี้ก็หรือปราหิตนี้ก็ไม่ได้เสนอให้ให้เทศให้สอนเยอะๆนะไม่ได้เทศไม่ได้เสนอว่าให้ใหมีการเทศสอนศีลธรรมเยอะๆไม่มีเรื่องนี้เลยคือเวลาเกิดปัญหาอัา ก, การรมขึ้นมาเนี่ยนะเรามักจะพบว่ามีคนมีสองวิธีที่คนเสนอวิธีแรกคือว่าให้พระนี่มาสอนศีลธรรมให้มากขึ้นนะ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 แล้วก็ไม่จำเปนต้อง อ, อัดศิลธรรมเข้าไปด้วยการเทศด้วยการสอนแต่ด้วยการทำให้สิ่งวัลล้อมมันดีพอสิ่งวัลร้อมมันดีนะมันก็เหมือนกับเป็นการป้องปรามให้คนเนี่ยทำตามอำเภอใจน้อยลงรู้จักยับยั้งชั่งใจมากขึ้นซึ่งอันนี้แหละที่มันจะเป็นปัจจัยทำให้คนมีศิลธรรมได้ให้เรื่องแบบนี้นี่บางทีชาวพุทธเราก็ยังเข้าใจกันน้อยนะ เพราะว่าเออะไรก็ให้สอนศีลธรรมอย่างเดียวหรือไม่ก็ให้ใช้ความรุนแรงไปเลยโดยเพราะเรื่องการให้เพิ่มโทษประหารชีวิตนี่อันนี้ก็เป็นเรื่องที่น่าต้องระวังนะเพราะว่าอาการประหารชีวิตก็คือปานาติบาตอย่างหนึ่งนะนชาวพูดร้อมไม่ควรสับสนปาณาติบาต์ดีแล้วแม้ว่าจะเจตนาดีก็ตามนะ แต่ว่าการสรับสนปานปฏิบาตินี่มันก็มันก็ไม่ใช่สิ่งที่ชาวพุทธเราควรจะทําอันนี้มันก็ร้อนแฉมด้วยนะพระพุทธเจ้าเคยตรัสว่าเนี่ยคนที่จะไปนรกเนี่ยนะสิ่งที่ทําให้คนไปนรกได้นี่กไ็ได้แก่บุคคลที่จะไปนรกได้เนี่ยได้แก่ 1, 1> คนที่ลงมือฆ่า2คนที่ชักชวนให้ผู้อื่นฆ่า 3. คนที่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 แล้วก็ทางโคจรทางโคจรคือเส้นทางบินบทรรบัตรวมทั้งบุคคลแวดล้อมด้วยนะบุคคลสัพพายะอาหารสัพพายะอุตตุสัพพายะนะนะเพียงความตั้งใจดีนี่ไม่พอต้องอาศัยสิ่งว่าล้อมด้วยถึงว่าล้อก็ช่วยก่อบกู้ให้การปฏิบัติได้ดีการทําความดีต้องอาศัยสิ่งแว่าล้อมเหมือนกันนะคนเราจะทําความดีได้เนี่ยบางทีมันก็ขึ้นอยู่กับสิ่งแวดล้อมด้วย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 แต่ว่าทําอีกแบบนึงก็คือพูดว่าเราต้องเก็บของเราไว้นะแต่ว่าพฤติกรรมของพ่อแม่เป็นการเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ครูก็เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่เด็กก็ทําตามการกระทําของพ่อแม่และครูไม่ใช่ทําตามคําพูดนะแต่ทําตามการกระทํานี่เรื่องสิ่งแวดล้อมนี่มันคัญมากสิ่งแวดล้อมที่ทําเป็นแบบอย่างไม่ใช่ด้วยคําพูดนะ